สปัจจญานุโลมปัจญียเหตุตุทุกนัย2อ7ณอารามณปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมี17วาระณอนันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมาันตรัพปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสิบเจดวาระนสัมปยุตต์ปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตต์ปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระติกนัยนอตถิปฏิปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเจดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเจดวาระ นาอาเสวะนปัจจ nah. ัยกับเพรุปัจจัยและอารัมณปัจจัยมีเจดวาระนากรรมปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารัมณปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปากับปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารัมณปัจจัยมีเจดวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารัมณปัจจัยมีสามวาระละเอกาทัศกนัย นปัจชาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยสมานันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยญาปัจจัยอุปนิตยญาปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจดวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระทวาทศัศกนัยในมงเล็บสาเสวนานปัจฉาชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารามนาปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละ เตวีสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยอารามนาปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียาปัจจัยชานปัจจัยมรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัติปัจจัยวิกาตปัจจัยและอวิกาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระเตระสกนยัยในมุงเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารามานปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกามาปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเตวีสกนยัยในมงเล็บสวิปากะ นปัจฉาชาตปัจจัยกเพตุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกัะละมีหนึ่งวาระอารามณทุกกันัยสอร้อยนเหตุตุปัจจัยกับอารามณปัจใจมีสี่วาระ นาอธิปฏิปัจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระนากรรมมปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระนาวิปากปฏิปจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระ นาชาณปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีสวาระติกรณ์นาทิปติปัจจัยกับอารามานปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอารามานปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยได้เหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับอารามณปัจใจได้นะเหตุปัจจัยมีเจดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอารามณปัจจัย ได้เหตุปัจจัยมีสามวาระในวุงเล็บพึงนับเหมือนเหตุมูลกนยัยอธิปฏิทุกรนัยเก้าอารามณปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระหนอนันตระปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระหนสมนันตรปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ นาอัญญามัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนาปัจชชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิเจดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระนากรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ นวิปากับปัจจัยกับปธิปัติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาตัมปยุตตปัจจัยกับปธิปัติปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับปธิปัติปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับปธิปัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับปธิปัติปัจจัยมีห้าวาระกับปฏิปัติปัจจัยและเหตุุปปัจจัยในวงเล็บย่อกับ อนันตรปัจจัยและสมอนันตรัปัจจัยในวและพึงขยายพิจารณเหมือนอารามานะมูละกนัสหชาติทุกกะไน300นเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสวาระณนะอารามานปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหวาระณนะอธิปฏิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี17วาระ นาอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหวาระนาสมานันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสิเจดวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนากรรมมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามัคปัจจัยกับสหัชชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหัชชาตปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหัชชาตปัจจัยมีสวาระโนนัตติปัจจัยกับสหัชชาตปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับสหัชชาตปัจจัยมีหวาระติกกไย นอารามณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวลเล็บเจานวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระกับสหชาตปัจจัยเหตุตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเล็บย่ออัญญมัญญาทุกขไนัยเอ็ดในเหตุตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ หนอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระหนอุปนิเตยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระ น้อาเสวะนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระน้กรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระหน้วิปากปัจจัยกับยะอัญญามิปัจจัยมีเจดวาระหน้อาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระในอินตรียะปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชานปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามคคะปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสสัญปยุตตะปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับอัญญาอัญญาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัญญอัญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตะปัจจัยกับอัญญาัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย นาอารามณปัจจัยกับอัญญามัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเจดวาระนาอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมาันตระปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับอัญญามัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีเจดวาระนัอาเสวะนปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีเจดวาระนักรรมปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีเจดวาระนัวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระ นัจสัมปยุตปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปปยุตตะปัจจัยกับอัญญามัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับอัญญามัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไน หน้าทิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระในวืเอเล็บย่อนิตยทุกกนัยสองในเหตุปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสี่วาระในวือเล็บนิตยยปัจจัยเหมือนสาชาตปัจจัยอุปนิทยทุกกนัย3ามในเหตุปัจจัยกับอุปนิทยปัจจัยมีสี่วาระ ในมุงเล็บอุปนิสตยปัจจัยพึงแจกเหมือนอารามานปัจจัยปุเรชาตทุกกไนสามยสี่นเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนอาเสวะปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ นกกรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระนวิปปะกับปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมี7วาระนชานัชานปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมักขปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยละอาเสวนทุกไนัามยห้า นเหตุปัจจัยกับอาเสวะนัปปจัยมีสี่วาระนัทิปติปัจจัยกับอาเสวะนัปปจัยมีเจ็ดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนัปปช้าชาตปัจจัยกับอาเสวะนัปปจัยมีเจ็ดวาระนกกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวะนัปปจัยมีเจ็ดวาระ นัมมขปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยมีสามวาระติกรณ์นัอธิปติปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระ นกรรมปัจจัยก so right er ับอาเสวะปัจจัยใจได้เหตุุปัจจัยมีเจดวาระนวิปากัดปัดใจกับอาเสวะปัจจัยใจได้เหตุุปัจจัยมีเจดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวะปัจจัยใจได้เหตุุปัจจัยมีสามวาระจตุกนัยสามรอยหน้าทิปติปัจจัยกับอาเสวะปัจจัยเหตุุปัจจัยและอารามานปัจจัยมีเจดวาระในวงเล็บย่อ นปัชชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ <todo> ็ดวาระกรรมทุกกนไหสร้อยเจนเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสี่วาระนารามนาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระ นาที่ปฏิปัจจัยกับกรมปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระหนอนันตรปัจจัยกับกรมปัจจัยมีห้าวาระน้าสมานันตรปัจจัยกับกรมปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับกรมปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับกรมปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี17วาระนอาเสวะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี17วาระนวิปากับปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี17วาระนอาหารปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระในอินทะริยปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามคคะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหวาระนวิทยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจัยกับกรรมปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหวาระติกนณ์นอารามานปัจจัยกับกรรมปัจจัยใจได้เหตุปัจจัยมีหวาระละ นวิปากับปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสิบเจวาระนามปัยยุตตาปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปัยุตตาปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับกรรมวิปปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระบุงเด็บย่อวิปากทุกกนัย สามนเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามะนปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรัปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนากับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาสัมปยุตตาปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยนาอารามะนปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอนันตรัปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมานันตรัปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยกับและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตัปัจจัยกับวิปากปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาศัว่นปัจจัยกับวิปากปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามยุติตัดปัจใจกับวิปากปัจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปรยุติตปัจจัยกับวิปากปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปากปัจจัยได้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนวิกตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละทวาธศ ก, กัณฐ์ในนับปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนะับอาเสวณัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตวีสติกนยัย นปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่ออาหารทุกกนัยเก้านเหตุตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสี่วาระ นอารามณปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระนปนิตย์ยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระ นปุเรชาตปัจจ ah ัยกับอาหารปัจจัยมีเจวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี17วาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี17วาระนอินทรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นชานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนมมะขปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนตสามปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหวาระติกนัย นาอารามณปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นวิกตปัจจัยก you know so ับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระในมือเล็บย่ออินทรียทุกขนัย310นเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจใจมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระละนวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี17วาระณอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัชานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสสามปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระโนวิกตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระกับอินทรียปัจจัยได้เหตุุปัจจัย ในมุงเล็บย่อชาะทุกขในัย311น่เหตุปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสี่วาระนอารมณะปัจจัยกับชาะปัจจัยมีห้าวาระละนวิปากปัจจัยกับชาณปัจจัยมีส7บเจวาระนมัคคปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนสสัมปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับชานะปัจจัยมีหวาระกับชาณปัจจัยได้เหตุปัจจัยในมเล็บย่อมัคคทุกขนสย3ิบในเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสวาระนอารามณปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีหวาระละ นวิปากับปัจจัยกับมรคปัจจัยมี17วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรคปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมรคปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับมรคปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับมรคปัจจัยมีห้าวาระนอารัมมาปัจจัยกับมรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระปุงเด็บย่อกับสัมปยุตตปัจจัย ในมุงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยวิปปยุตตทุกกในัย313นเหตุปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมี4วาระณารามณปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหวาระณอธิปฏิปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหวาระ นาสมานันตะปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระนอุปนิตตยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี17วาระ นกกรมมปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีเจวาระนวิปากับปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีสิบเจวาระนัชานปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับวิปปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยมีหวาระ นวิกตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระติกนัยนาอารัมมะปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี17วาระนาอนันตระปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระ นสัมปยุตตาปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิเตยปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับ วิปปยุตตาปัจจ er <tr> ัยและเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปาการปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุปปัจจัยมีห้าวาระ โนนัตติปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระจตุกไนหน้าที่ปฏิปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเจดวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระ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 มีเจดวาระนกกรมมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระเตวีสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตต์ปัจจัยเหตุปัจจัยละอเสวนปัจจัยกรรมมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ด วาระจุดทศกนัยในมุงเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุตุปัจจัยอารามณปัจจัยมุงเล็บย่อปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเตวีศกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัย เหตุปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยมึงเล็บย่ออวิละอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนอาเสวนากับละมีหนึ่งวาระกับอธิปัจจัยในมงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยกับน enfin ัธปัจจัยและวิคตปัจจัยในมงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัย กับอวิคตปัจจัยในมูลนิปัจจัยนี้เหมือนกับสหระชาตปัจจัยอนุลมปัจญิยะในปัจจัยวานจบ 4. ปัจจยปัจญิยานุโลมในเหตุตุทุกก์ในอารามณปัจจัยกับในเหตุตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรัปัจจัยกับในเหตุตุปัจจัยมีสี่วาระ สมานันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระนิตยะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิทยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวะนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระ กรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระอินเรียปัจจัยกับนาเหตุุปัจใจมีสี่วาระชานปัจจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระสำปรยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระ วิปปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสี่วาระนัิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิกกตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสี่วาระอวิวกตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสี่วาระติกกไนสาชาตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยและวนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตย์ญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระกามะกามะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหาระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและวนอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและวนอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและวนอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและวนอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยแล้วนะอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจใจเลยนะอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัยนสาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารามณปัจใจนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรัปัจใจเลยนะอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ วิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปย pla, ุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระทวารทศนัย สหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนารามนาปัจจัยนาทิปติปัจจัยนาอันตรปัจจัยนาสมนันตรรปัจจัยนาอัญญมัญญปัจจัยนาปนิเตยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยและนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละจุดทัศนกนัยสาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจใจนาอารามนาปัจจัยละนากรรมปัจจัยนาวิปากปัจจัยแลนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสกนัยสหชาตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยละนากรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยละโนวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุงเรพย่อณอารามณทุกกนัย315เหตุปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีหวาระอธิปฏิปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีหวาระณสาชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยปัจจัยก ah <superpower> ับนอารามณปัจจัยมีหวาระกามปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระอินตรียปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระชานะปัจจัยกับนอารามณปัจจัยมีหวาระ มัคคปัจจัยกับนอารัมมาปัจจัยมีหวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนอารัมมาปัจจัยมีหวาระอติปัจจัยกับนอารัมมาปัจจัยมีห้าวาระอวิกระปัจจัยกับนอารัมมาปัจจัยมีหวาระติกนัยสาชาตปัจจัยกับนอารัมมาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับนอารัมมะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนอารัมมะปัจจัยและน้าเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกัมมปัจจัยกับนอารัมมะปัจจัยกับนเหตุและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนอารัมมะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนกัม อารามานปัจจัยและน่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนอารามานปัจจัยและน่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับน้าอารามานปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนอารามานปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับน้าอารามานปัจจัยและนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยก eh uh, ับนอารามานปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนาอธิปฏิทุกไนัย316เหตุปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอารามานปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยกับนอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระ สาชาตปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนิตยญาปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวณปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระการมปัจจัยกับหน้าที่ปติปัจจัยมี สิวาระวิปากปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสิบเจวาระอินตรียปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสิบเจวาระชานะปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสิบเจวาระมรรคปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสิบเจวาระสัมพยุตตปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีเจดวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีสิบเจวาระนัตถิปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีเจวาระวิกาตปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมีเจดวาระอวิวกตปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยมี17วาระติกนัย อารามณปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยและน้เหตุปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยและหน้เหตุุปัจใจมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยและหน้เหตุปัจใจมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยและน้เหตุปัจใจมีสี่วาระอัญญมัญญาปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยและน้เหตุปัจใจมีสี่วาระนิสียปัจจัย กับหน้าอธิปฏิปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยและน้าเหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวณปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระกามปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยและน้าเหตุปัจจัยมีสี่วาระ วิปาะกับปัจจัยกับนาณอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินทรีย์ปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระชานาปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสวาระ สัมปยุตตปัจจัยกับอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตาปัจจัยกับอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนาธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัตถิปัจจัยกับอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิกตปัจจัยกับนาอธิปัติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระ อวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระจตุกนัยสหาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยนเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหนังเล็บย่อทุกไนัยมีณอนันตรปัจจัยเป็นต้น317 กับอนันตรป <Forward. S 3> ัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสตยปัจจัยในมือเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยณปุเรชาตทุกขในสยส18เอตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ อนันตรปัจจ ja er ัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระสมาณันตรัปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระตาชาตปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญาัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระนิตยญาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระชานปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ มัคคัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระสำปรยุติปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปปยุติปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนติปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิกขาปัจจัยกับนักปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ อวิกตปัจจัยกับนัตปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระติกันในอารามณปัจจัยกับนัตปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนัตปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรัปัจจัยกับนัตปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ สหชาตป e. yani ัจจ <ing> ัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุตัปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและน่ะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ อาเสวะนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนะปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีสองวาระ อินทรียาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิกขาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิกขาปัจจัย กับนับปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระจตุ ก, กนัยชาชาตปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่อนปัจฉาชาตทุกกนัย3ิ9 เอตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจ็วาระอารามานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจวาระอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระสมนันตรัปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ กรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระชานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระ สัมบัญญัตปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระวิปยุติปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเจดวาระอธิปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเจดวาระนัธีปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระวิกขาปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระอวิกขาปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเจดวาระติกกัย อารามณปัจจัยกับนปัปชาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับนปัปชาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยกับนปัปชาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระสชาตปัจจัยกับนปัปชาชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระ อัญญะมัญญะปัจัยกับนปัจปาชาตาปัจจัยและน่เหตุปัจใจมีสี่วาระนิติยปัจจัยกับนปัจปาชาตาปัจจัยและนเหตุปัจใจมีสี่วาระอุปนิตยปัจจัยกับนปัจปาชาตาปัจจัยและน่เหตุปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตาปัจจัยกับนปัจปาชาตาปัจจัยและน่เหตุปัจใจมีสี่วาระ อาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระกรรมมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระ อินเตียปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนาเหตุตัปัจจัยมีสี่วาระชานปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระมัคคปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระ วิปปยุตตะปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนะเหตุปัจใจมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนะเหตุปัจใจมีสี่วาระนัิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนะเหตุปัจใจมีสี่วาระวิขตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนะเหตุปัจใจมีสี่วาระอวิขตปัจจัย กับนปัจ ช, ชาชาตปัจจัยและนเหตุุปัจใจมีสี่วาระจตุกนยัยส่ชาชาตปัจจัยกับนปัจ ช, ชาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมือเล็บยอ่อนณะอาเสวนทุกนน ก, ทกนัสสยยี่สิบเหตุตุปัจจัยกับ นอาเสวะนปัจจัยมีสิบเจวาระอารามะนปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีสิบเจวาระอนันตรปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีเจ็วาระสมานันตรปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีเจ็วาระสหชาตปัจจัยกับนอาเสวะนปัจจัยมีสิบเจวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสียปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีสิบเจดวาระอุปนิสยปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีเจ็ดวาระกามาปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยกับณอาเสวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมี17วาระชาณปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมี17วาระมรคปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตาปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมีเจวาระวิปยุตตาปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยมี17วาระ อธิปัจจัยกับหน้าอาเสวะนัตปัจใจมีสิบเจ็ดวาระนาติปัจจัยกับหน้าอาเสวะนัตปัจใจมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับหน้าอาเสวะนัตปัจใจมีเจ็ดวาระอวิกัตปัจจัยกับหน้าอาเสวะนัตปัจใจมีสิบเจดวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนาอาเสวะนัตปัจใจและนเหตุปัจใจมีสี่วาระ อนันตระปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมานันตระปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนาอาเสวะนปัจจัยและนาเหตุปปัจจัยมีสี่วาระ นิสยปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปากับปัจจัยกับอาเสวะนปัจจัยและน้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจ <sch at> <ellen> ัยกับน้าอาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระชาณปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระมรคปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับน้อาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระ วิปยุติจปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาธิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิขจปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปปัจจัยมีสี่วาระ อวิคตปัจจัยกับนะอาเสวะนปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระจตุกนัยสหะชาตปัจจัยกับนะอาเสวะนปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามนะปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนะกรรมทุกกนัามรยยี่ เถตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระอารามะนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระสาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญาปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระ นิตยญาปัจจัยกับนกกรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยญาปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสววนปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจดวาระอาหารปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอินตรียปัจจัยกับนกกรมปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีเจดวาระ มัคคะปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระสำปรยุติตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปรยุติตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระอธิปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระนาฏิปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีเจดวาระติกนัย อารามมะปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและวนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและวนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิตยปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสววนปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งววาระ อินทรียปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาทีปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไกสัชชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยนาเหตุุปัจจัยและนารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นิจยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่อ